คนที่ไม่เปิดมุมมองตัวเองให้กว้างเข้าไว้ย่อมจำกัดตัวเองให้ทำอะไรอยู่เพียงอย่างเดียวตลอดชีวิตนโปเลียนฮิลด้วยยอดขายหนังสือคิดแล้วรวยสิ and Go Rich ทั่วโลกกว่า60ล้านเล่มทำให้ผมเกิดความรู้สึกอยากเห็นหนังสือคิดแล้วรวยที่ได้รับการแปลครั้งแรกในประเทศไทยโดยคุณอาสาขอจิตเมตว่าหน้าตาเป็นอย่างไรจึงได้ไปค้นที่หอสมุดแห่งชาติ จนพบหนังสือเก่ามากเล่มนั้นซุกตัวอยู่ในชั้นวางหนังสือหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในราวปีพุทธศักราช1510แม้กระดาษจะเหลืองเก่าฝุ่นจับแต่ก็ยังมีรอยปากกาที่คนอ่านขีดเน้นข้อความสำคัญที่ตัวเองสนใจหลายคนปฏิเสธหนังสือประเภทพัฒนาตนเองและสร้างแรงจูงใจด้วยการบอกเหตุผลง่ายๆว่าอ่านหนังสือแล้วจะไปรวยได้อย่างไร ไม่มีทางเป็นไปได้หรอกถ้าแค่อ่านแล้วรวยทุกคนในโลกนี้ก็คงรวยไปหมดแล้วหรือแค่คิดแล้วก็รวยถ้าง่ายอย่างนั้นป่านนี้คงไม่มีคนจนในโลกแล้วแม้แต่เมื่อมีคนอื่นมาเห็นว่าคุณกําลังอ่านหนังสือที่หน้าปกเขียนว่าคิดแล้วรวยหรือ Think and Grow Rich คุณอาจจะมีความรู้สึกอับอายกลัวคนเห็นหรือไม่มั่นใจขอให้รวยว่า นั่นคือหนังสือที่6ปีศาสตรร้ายแห่งความกลัวที่นโปเรียนฮิลกล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ซึ่งก็คือความกลัวการถูกวิพากวิจาร์นั่นเองความกลัวนี้ยังทำให้คนส่วนใหญ่ไม่กล้าเสี่ยงทาธุรกิจกลัวความล้มเหลวและละทิ้งปณิธานของตัวเองเป็นที่ทราบกันดีว่าในชีวิตจริงแล้วเราเรียนรู้ด้วยการลงมือทาภาคปฏิบัติจึงสาคัญกว่าทฤษฎี แต่อย่าลืมว่าแท้ที่จริงแล้วทฤษฎีก็คือภาคปฏิบัติในอดีตที่ถูกนำมารวบรวมเอาไว้อย่างเป็นระบบนั่นเองโดยเฉพาะการรวบรวมสุดยอดของผู้ที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจดังเช่นที่นับเรลียนฮิวได้ทำไว้ความหมายของเศรษฐีกับผู้ที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจแตกต่างกันมากเศรษฐีอาจได้เงินมาเพราะโชคช่วยได้มาอย่างไม่สุจริตและไม่มีคุณธรรมหรือจากมรดกตกทอด แต่ผู้ที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจล้วนต้องทุ่มเทด้วยความภาคเพียรพยายามดังเช่นที่โทมัสเอดิสันผู้เป็นทั้งนักประดิษฐ์และผู้ประกอบการเคยกล่าวไว้ว่าความเป็นอัจฉริยะนั้นมาจากแรงดลใจเพียงแค่ 1% เปอร์เซน์ที่เหลือนั้นมาจากอยากเหนือและแรงงานหรือคำพูดที่ว่าคิดแล้วไม่ทำเหมือนยังไม่ได้ออกเดินเรือไปในทะเลเลยแต่ลงมือทาโดยไม่คิด ไม่สนใจทฤษฎีเลยก็เหมือนออกเดินทางไปในมหาสมุทรโดยปราศจากเข็มทิศนำทางทุกวิชาการในโลกล้วนมีการสอนกันได้เกือบหมดเช่นวิศวกรรมศาสตร์แพทยศาสตร์นิติศาสตร์ดูเหมือนจะยกเว้นอยู่อย่างเดียวคือศาสตร์ในการสอนคนให้มัง่งคั่งร่ำรวยหรืออีกในหนึ่งคือสอนคนให้ทําธุรกิจหรือเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จ แม้แต่วิชาการบริหารธุรกิจก็ไม่ใช่คําตอบทั้งหมดการสอนคนให้คิดแล้วรวยจึงยากมากแต่ถ้าจะมีตําราใดที่พอจะเป็นต้นแบบของหนังสือปรัชญาแห่งความสำเร็จและสร้างแรงจูงใจของโลกแล้วละก็เชื่อว่าหนังสือคิดแล้วรวยของนโปเลียนฮิลจะอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยอย่างแน่นอนดังที่โรเบิร์ตคโยสกิได้กล่าวถึง Think and Grow Rich ว่าเป็นหนึ่งในหนังสือที่เขาแนะนา ปรากฏอยู่ในหนังสือพ่อรวยสอนลูกสองเงินสีด้านดังนี้ผมอยากแนะนำหนังสือ t h i n g and g o r r i c s เขียนโดยนับ o บ e เ n ียนฮิพ่อรวยเป็นคนเอานังสือเล่มนี้ให้ผมอ่านตั้งแต่ผมยังเด็กๆหนังสือเล่มนี้ช่วยกำหนดแนวทางชีวิตให้กับผมชื่อเรื่อง t h i n g and g o r r i c h ไม่ใช่ทำงานหนักแล้วรวยแต่คุณต้องคิดและคิดให้ต่างจากคนอื่น หนังสือคิดแล้วรวยสู่ศตวรรษที่21ของนับเรียนฮิวนี้นอกจากมีหลักปรัชญาแห่งความสำเร็จและกรณีศึกษาของโลกธุรกิจในยุคปัจจุบันเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้แล้วยังมีเรื่องราวของประวัติศาตสตร์ศาสนาวิทยาศาสตร์หลักจิตวิทยาและหลักการครองชีวิตอย่างครบถ้วนคุณจะสามารถพิสูจน์คุณค่าและความเป็นอมตะของหนังสือเล่มนี้ได้ด้วยตัวของคุณเอง กะมนแสงทองสีกะมนเคล็ดลับแห่งความสำเร็จทุกๆบทของหนังสือเล่มนี้จะบอกให้คุณทราบถึงเคล็ดลับในการทำเงินที่สร้างความมั่งคั่งร่า ร, รวยให้กับผู้คนซึ่งผมได้ทำการวิเคราะห์มาเป็นเวลาหลายปีผู้จุดประกายเรื่องเคล็ดลับนี้ให้กับผมเป็นครั้งแรกคือแอนดรูคาเนกี้ชายสูงวัยชาวสกอตแลนด์ผู้ชาญฉลาดคาเนกี้เข้ามาอยู่ในใจผม ตั้งแต่ผมยังเป็นหนุ่มวันนั้นเขาเองกายลงพิงพนักเก้าอี้ด้วยแววตาอันเป็นประกายและจ้องมองผมอย่างตั้งอกตั้งใจเพื่อให้แน่ใจว่าผมมีความเฉลียวฉลาดพอที่จะเข้าใจสาระสำคัญของสิ่งที่เขาพูดหรือไม่เมื่อเขาเห็นว่าผมจับแนวความคิดของเขาได้จึงได้ถามว่าผมเต็มใจหรือไม่ที่จะใช้เวลาถึงยี่สิบปีหรื อ, ออาจมากกว่านั้น เพื่อทำตัวเองให้พร้อมที่จะบอกเล่าเคล็ดลับนี้ต่อผู้คนอีกมากมายในโลกซึ่งยังไม่ล่วงรู้ความลับนี้และกำลังพาตัวเองไปสู่ความล้มเหลวผมได้รับปากเขาและสามารถทำตามนั้นได้ก็โดยความร่วมมืออันดีของคาเนกี้นั่นเองบทวิจารณ์ในปีคศรา1908เป็นช่วงเศรษฐกิจตกต่าในสหรัฐอเมริกามีแต่คนยากจนและว่างงานนโปเลียนฮิล ได้ยึดอาชีพนักเขียนให้กับนิตยสารบอบเทเลอร์สเขาได้รับมอบหมายให้เขียนเรื่องราวความสำเร็จของผู้คนที่มีชื่อเสียงถึงแม้ว่าจะไม่ได้สร้างรายได้ให้เขามากมายนักแต่มันก็ได้เปิดโอกาสให้ฮิลได้พบกับโลกกว้างของธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หนึ่งในนั้นคือมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งอุตสาหกรรมเหล็กชาวอเมริกันแอนดรูคากี้ผู้ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้ฮิล คานกี้ประทับใจในตัวฮิวมากเพราะหลังจากให้สัมภาษณ์ถึงสามชั่วโมงเขายัางได้เชื้อเชิญฮิวให้ไปที่คฤหาสน์ของเขาในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อพูดคุยกันต่อระหว่างการพูดคุยในอีกสองวันต่อมาคานกี้ได้เล่าให้ฮิวฟังว่าเขามีความเชื่อว่าใครก็ตามที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องเข้าใจปรัชญาแห่งความสาเร็จและต้องรู้ขั้นตอนในการที่จะได้มันมาเสียก่อนเขาพูดว่า น่าละอายมากที่เราปล่อยให้คนรุ่นใหม่ต้องค้นหามันด้วยวิธีลองผิดลองถูกอยู่อีกในเมื่อเรารู้หลักการแห่งความสำเร็จหมดแล้วคาเนกี้อธิบายทฤษฎีของเขาต่อไปว่าความรู้นี้จะได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้คนที่ประสบความสาเร็จรวบรวมข้อมูลและวิจัยเพื่อนาไปสู่บทสรุปแห่งหลักการเขาเชื่อว่ามันต้องใช้เวลาอย่างน้อยยิปี และนั่นเป็นที่มาของปรัชญาแห่งความสําเร็จชิ้นแรกของโลกเขาเสนอให้ฮิวรับงานนี้โดยเขาจะเป็นคนแนะนําฮิวให้พบกับผู้คนที่ประสบความสําเร็จและจะออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ด้วยฮิวใช้เวลาเพียง29วินาทีในการตัดสินใจรับข้อเสนอนั้นคานิเก้ได้บอกเขาภายหลังว่าตอนนั้นได้ให้เวลาฮิวตัดสินใจ60วินาทีถ้านานกว่านั้นเขาจะยกเลิกข้อเสนอ คนที่ตัดสินใจช้าทาั้งๆที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้วยอมไม่สามารถเชื่อใจว่าจะทำงานใหญ่ให้สำเร็จได้จากการอุทิตตัวอย่างไม่ลังเล ข, ของฮิลในครั้งนั้นจึงทำให้เขาได้เขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาในที่สุดเราสามารถหาข้อมูลอัตชีวประวัติของฮิลเพิ่มเติมได้จากหนังสือ A Lifetime of l i s t The Biography of Napoleon Hill โดย Michael j r จูเนียร์และเคิร์กเลนเดอร์ลิดเคยทำงานเป็นผู้เขียนของฮิวนานถึง10ปีและเป็นเจ้าหน้าที่คนแรกของมูนิธินโปเลียนฮิวในตำแหน่งผู้อำนวยการเลขานุการรวมไปถึงสมุบัญชีเนื้อหาในหนังสือมาจากความรู้ส่วนตัวของเขาเกี่ยวกับฮิวและอัตตะชีวประวัติของฮิวซึ่งยังไม่เคยตีพิมพ์มาก่อนจบบทวิจารณ์ หนังสือคิดแล้วรวยเล่มนี้ได้รวบรวมเคล็ดลับของคาเนกีซึ่งผู้คนนับพันปัจจุบันอาจเป็นล้านคนได้ทดสอบแล้วแนวความคิดของคาเนกีเป็นสูตรสําเร็จที่น่าทึ่งมันได้ทำให้พวกเขามีความมั่งคั่งร่ำรวยและทำให้คนซึ่งไม่ค่อยมีเวลามากนักได้เข้าใจว่าคนอื่นเขาทำเงินกันอย่างไรคาเนกีหวังว่าเขาจะทดสอบและสาธิตความสาเร็จของสูตรนี้ ผ่านประสบการณ์ของผู้คนที่หลากหลายทั้งชายหญิงเขายังเชื่ออีกว่าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยควรนําสูตรสําเร็จนี้ไปสอนนักเรียนนักศึกษาเขากล่าวว่าถ้ามีการสอนแบบนี้ในโรงเรียนมันจะเป็นการปฏิรูประบบการศึกษาและทําให้เวลาที่จะต้องใช้ในการเรียนลดลงไปกว่าครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวในบทที่4ศรัทธา คุณจะได้อ่านเรื่องราวอันน่าสนใจของบริษัทอุตสาหกรรมเหล็กขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาโดยมีชายหนุ่มที่ได้นำหลักการนี้ไปใช้และขณะเดียวกันคาเนกี้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าสูตรสำเร็จของเขาใช้ได้ผลชาลเอ็มชวอปคือผู้ที่นำเคล็ดลับนี้ไปประยุกต์ใช้จนทำให้เขามีความมั่งคั่งร่ารวยทั้งเงินทองและโอกาสสูตรสาเร็จนี้อาจประเมินเป็นมูลค่าคร่าวๆได้ถึง หกร้อยล้านดอลลาร์เลยทีเดียวข้อเท็จจริงที่ได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้จะให้ไอเดียดีๆกับคุณและทำให้คุณได้รู้ว่าสิ่งที่คุณต้องการนั้นคืออะไรบทวิจารณ์ในการใช้ทฤษฎีคำนวณภาวะเงินเฟอ้อนั้นเราต้องใช้เงินถึง20ดอลลาร์ในปีคศรา2001เพื่อซื้อของในราคาเพียง1ดอลลาร์ในปีคศ1901 อย่างไรก็ตามไม่ง่ายนักที่จะตีมูลค่าเงิน600ล้านดอลลาร์โดยคิดจากค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยและตัวแปรอื่นๆในการคำนวณกำลังซื้อจากการประมาณคร่าวๆเงินมูลค่า600ล้านดอลลาร์อาจจะเทียบเท่ากับเงินถึง 12,000 ล้านดอลลาร์เมื่อเข้าสู่ศตวตรรษที่21จบบทวิจารณ์ผู้คนนับพันได้ใช้เคล็ดลับนี้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ทำให้บางคนสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้ตัวเองได้บางคนก็ใช้มันเพื่อสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวมีนักสอนสาศาสนาผู้หนึ่งสามารถใช้มันสร้างรายได้ให้เขามากกว่า 75,000 ดอลลาร์ในหนึ่งปีมูลค่าในปัจจุบันประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์อาร์เธอร์เนสช่างตัดเย็บเสื้อผ้าในซินซินนาติได้ใช้ธุรกิจที่ใกล้จะล้มละลายของเขา เป็นหนูทดลองสูตรสำเร็จนี้ธุรกิจกลับฟื้นคืนและสร้างความมั่งคั่งให้กับเขาการทดสอบนี้น่าสนใจมากจนหนังสือพิมพ์และนิตยสารนำไปตีพิมพ์สร้างมูลค่าเพิ่มได้นับล้านดอลลาร์เคล็ดลับนี้ยังถูกพิสูจน์ต่อไปโดยสจวร์ตออสตินเวียจากเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงจึงได้เลิอกอาชีพเดิมและหันไปเรียนกฎหมายเขาประสบความสำเร็จหรือไม่ คุณจะได้คําตอบในบทที่6ความรู้เฉพาะทางขณะที่ผมกําลังเป็นผู้รับผิดชอบงานโฆษณาให้กับหลักสูตรเสริมของมหาวิทยาลัยลาซานผมได้สิทธิพิเศษในการเข้าพบเจจีเชฟลินอธิการบดีของมหาวิทยายลาาัยซึ่งได้ใช้สูตรสําเร็จนี้ในการสร้างมหาวิทยาลัยลาซานให้ยิ่งใหญ่ระดับประเทศหนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงเคล็ดลับเหล่านี้มากกว่า100ครั้ง แม้ ว, ว่าจะไม่ได้ระบุชื่อเคล็ดลับไว้ชัดเจนแต่ถ้าคุณนึกถึงมันไว้ในใจและรอเวลาเมื่อไรก็ตามที่คุณพร้อมหรือโอกาสมาถึงจงเอาเคล็ดลับนี้มาใช้ประโยชน์และนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคาเนกีจึงส่งเคล็ดลับเหล่านี้มาให้ผมโดยไม่ระบุชื่อถ้าคุณพร้อมที่จะนามันไปใช้ย่อมตรหนักรู้ถึงเคล็ดลับที่ซ่อนอยู่ในแต่ละบทของหนังสือเล่มนี้ได้เอง คุณอาจจะไม่พบคำอธิบายในรายละเอียดของวิธีการแต่มันจะเป็นประโยชน์มากหากสามารถค้นพบเคล็ดลับนั้นได้ด้วยวิถีทางของตัวคุณเองถ้าคุณเคยท้อแท้สิ้นหวังถ้าคุณขาดขวัญกำลังใจถ้าคุณเคยเหนื่อยล้าและล้มเหลวถ้าคุณเคยทุกทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บเรื่องราวแห่งการค้นพบของลูกชายผมกับการนาสูตรของคานิคี้ไปใช้อาจช่วยพิสูจน์ว่า ท่ามกลางความสิ้นหวังนั้นจะมีโอกาสเสมอสำหรับผู้ที่พยายามค้นหามันประธานาธิบดีวูดโรวิลสันก็ได้ใช้เคล็ดลับนี้ระหว่างสงครามโลกรวมไปถึงประธานาธิบดีรูสเวลในสงครามโลกครั้งที่สองด้วยโดยใช้กับทหารทุกคนที่ได้รับการฝึกอบรมก่อนที่จะถูกส่งไปแนวหน้าประธานาธิบดีวิลสันเคยบอกผมว่า มันเป็นปัจจัยสําคัญในการเข้าสู่สงครามสิ่งที่น่าแปลกก็คือผู้ซึ่งได้กเคล็ดลับนี้แล้วนําไปใช้เท่านั้นจึงจะประสบความสําเร็จอย่างไรก็ตามดังที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้หลายครั้งว่าจะไม่มีสิ่งใดสูญเปล่าเราไม่มีวันได้กเคล็ดลับเหล่านี้มาโดยไม่ลงทุนลงแรงและมันก็คุ้มค่ายอย่างยิ่งที่จะลงทุนความแปลกประหลาดอีกอย่างหนึ่งของเคล็ดลับนี้ก็คือมันมอบให้กันไม่ได้ และก็ไม่สามารถประเมินมูลค่าเป็นเงินทองได้ถ้าคุณไม่ตั้งใจจริงที่จะสแสวงหาเคล็ดลับเหล่านี้ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่มีทางที่จะใช้เงินทองซื้อหามันมาได้เนื่องจากเคล็ดลับนี้ประกอบด้วยสองส่วนในการที่จะได้เคล็ดลับนี้มาคุณจะต้องได้ส่วนใดส่วนหนึ่งมาก่อนเคล็ดลับนี้จะเกิดได้ต่อเมื่อเรามีความพร้อมเท่านั้นนอกจากนี้มันยังไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของการศึกษาอีกด้วย นานมาแล้วที่โทมัสเออดิสันได้ครอบครองเคล็ดลับนี้และเขาได้ใช้มันอย่างชาญฉลาดจนทำให้เขากลายเป็นนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกทั้งๆที่เขาเรียนหนังสือในโรงเรียนจริงๆเพียงแค่สามเดือนเท่านั้นเคล็ดลับนี้ยังถูกส่งต่อไปอยังเอ็ดวินซีบานผู้ช่วยของเอดิสันซึ่งได้ใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพจนทาให้เขามั่งคัง่งและสามารถกรเกษียณตัวเองได้ในวัยหนุ่ม เมื่อคุณได้อ่านเรื่องของเขาในบทต่อไปคุณจะเชื่อมั่นในตัวเองว่าความมั่งคั่งร่ำรวยไม่ได้ไกลเกินที่คุณจะไขวคว้าเลยไม่ว่าชีวิตคุณจะเคยเป็นอย่างไรมาก่อนเมื่อได้เตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับเคล็ดลับแห่งความสำเร็จนี้คุณก็จะสมปรารถนาทั้งชื่อเสียงเงินทองและความสุขแล้วตัวผมเองลวงรู้เคล็ดลับเหล่านี้ได้อย่างไรคุณจะได้รับคำตอบนี้ หลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้จบหรือบางทีคุณอาจค้นพบมันตั้งแต่บทแรกๆหรือในหน้าสุดท้ายเลยก็ได้ขณะที่ผมได้ศึกษาและวิเคราะห์บุคคลที่มีชื่อเสียงนับร้อยตามที่รับปากคารเนกี้ไว้นั้นผมพบว่าผู้คนเหล่านั้นมักมีคุณสมบัติตรงตามเคล็ดลับแห่งความสำเร็จที่คารเนกี้บอกไว้ผู้คนเหล่านั้นได้แก่เฮนรี่ฟอร์ดผู้ก่อตั้งบริษัทรถยนต์ฟอร์ด เขาเคยยากจนและไม่ค่อยได้เรียนหนังสือแต่ท้ายที่สุดเขาก็ได้เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของคนอเมริกันวิลเลียมเลกลีจูเนียร์เซลแมนบริษัทท่องเที่ยวผู้สังเกตเห็นว่าลูกค้าของเขาชอบหมากฝรั่งที่เขาแจกเป็นของชำรวยมากจนในที่สุดเขาสามารถเปิดบริษัทของตนเองได้จอห์นวานามิเกอร์รู้จักกันในานามของเจ้าชายแห่งวงการธุรกิจ เขาคือผู้สร้างสรรค์ห้างสรรสินค้าระดับโลกแห่งแรกและได้รับการยกย่องอย่างมากในเรื่องของนวัตกรรมการตลาดการบริการลูกค้าและสวัสดิการลูกจ้างเจมเจฮิลรู้จักกันในนามของผู้สร้างอาณาจักรเขาได้สร้างทางรถไฟทรานส์คอนติเนนเซนตเกรตนอร์ธเนให้การสนับสนุนชาวไร่ชาวนาในฝั่งตะวันตกของอเมริกา และเปิดเส้นทางเดินเรือเชื่อมต่ออเมริกากับเอเชียข้อมูลจากผู้เรียบเรียงเส้นทางรถไฟเริ่มต้นจากเมืองเซนต์พอลรัฐมินนิโซตาไปยังเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสร้างโดยเจมเจฮิลแล้วเสร็จในปีคิศกั1893ระยะทางยาว 2,736 กิโลเมตร เป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญที่เชื่อมต่อฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาจบข้อมูลผู้เรียบเรียงจอร์ดเอสปาเกอร์คุณครูผู้เบื่อหน่ายปากกาแบบเก่าๆจึงได้สร้างสรรค์และออกแบบปากกาแบบใหม่จนเป็นเจ้าของบริษัทปากกาปาเกอร์อีเอ็มสเตดเลอร์ลูกชายบาทหลวงผู้ยากจนเขาเริ่มจากการเป็นพนักงานโรงแรม และไต่เต้าจนสามารถเปิดเครือโรงแรมสเตเ l อร์ของตัวเองสร้างชื่อเสียงในความหรูหราและการบริการด้วยรอยยิ้มเฮลลี่แอลโดเฮอร์ตีูเริ่มต้นด้วยการเป็นพนักงานออฟฟิศวัยสไว12ปีของโคลัมเบียแก๊สจนได้เป็นเจ้าของกิจการ53แห่งและเป็นเจ้าของสิทธิบัตรเกี่ยวกับแก๊สธรรมชาติและการผลิตน้ำมันถึง140สิสิทธิบัตรไซรัสเอสเคเคอร์ติส ผู้เริ่มต้นจากนิตยสารเล็กๆเกี่ยวกับเกษตรกรรมไปเป็น ladies' home journal และในที่สุดก็ได้สร้างสรรนหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ Saturday evening post ให้เป็นที่รู้จัก George Eastman นักประดิษฐ์และผู้ก่อตั้งบริษัท Eastman k กด a k เขาได้สร้างสรรนวัตกรรมมากมายเกี่ยวกับการถ่ายภาพและนำไปสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์นในที่สุดชาลเอ็มชวอมือขวาของแอนดรูว์แคเนกี้ เขาได้เป็นประธานกรรมการบริษัทคานิีสตีลต่อมาเป็นตัวแทนเจราจาเพื่อก่อตั้ง US เอสตีและก้าวไปสู่การก่อตั้งเบดเลยแฮมสตีลทีโอดอร์ลูสเวลประธานาธิบดีคนที่26ของสหรัฐอเมริกาในช่วงปีคิศ 1901-1909 จอห์นดับเยูเดวิสนักกฎหมายผู้นำทางการเมือง ทนายความประจำตัวของประธานาธิบดีวูดโรวิลสันและต่อมาเขาก็ได้เป็นเอกอัครราชทูตประจำสหราชอาณาจักรอัลเบิร์ตฮับบาร์ดนักประชญาผู้จัดพิมพ์นิตยสารเดอะฟลาผู้ก่อตั้งลอยคอฟเตอร์อาร์ติสโคลเนีเขายังเป็นผู้แต่งหนังสือขายดีหลายเล่มเช่น A Message to Glacier อีกด้วยข้อมูลผู้เรียบเรียงลอยคอฟเตอร์อาร์ติสโคลนี เป็นชุมชนของคนที่ทำงานศิลปะหัตถกรรมซึ่งนักปฏิรูปอเบิร์ธฮับบาร์ดได้ก่อตั้งขึ้นในปีคศก1895ในหมู่บ้านต่างๆในรัฐนิวยอร์กชื่อรอยคอฟตงตามชื่อพี่น้องซามูเอลและโทมัสรอยคอฟผู้ผลิตหนังสือด้วยมือแห่งกรุงลอนดอนในปีคิศกรา1650ถึง1690จบข้อมูลผู้เรียบเรียง วิลเบอร์ไรต์เจ้าของร้านจักรยานรวมด้วยออวิลน้องชายได้กลายเป็นคนอเมริกันคนแรกที่ได้บินด้วยเครื่องบินที่หนักกว่าอากาศและเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการบินวิลเลีย Jen นนิงไบรอันผู้จัดพิมพ์หนังสือพิมพ์ตัวแทนประธานาธิบดีและรัฐมนตรีในสมัยประธานาธิบดีวิลเลีย Mc มคคิลีและเป็นที่รู้จักในฐานะนักกฎหมายผู้ต่อสู้และนักอนุรักษ์ลิง ดรเดวิดสตาร์จอแดนนักการศึกษานักวิทยาศาสตร์นักเขียนหนังสือมากกว่าห้าสิบเล่มเขาเป็นประธานนักศึกษามหาวิทยาลัยที่อายุน้อยที่สุดและได้เป็นประธานนักศึกษาคนแรกของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเจออกแดนอามอร์ผู้ซึ่งสืบทอดธุรกิจขายเนื้อสัตว์มาจากครอบครัวได้กลายมาเป็นนักสื่อสารมวลชนเจ้าของกลุ่มบริษัทที่มีสินค้ามากกว่าพันผลิตภัณฑ์ เป็นมหาเศรษฐีเป็นเจ้าของชิคาโกคลับและเป็นผู้จัดการธนาคารเนชั่นแนลซิตี้อาร์เธอร์บิสแบน์นักหนังสือพิมพ์นักเคลื่อนไหวคอลัมนิสต์ผู้เป็นที่ต้องการตัวของสำนักข่าวเป็นนักเขียนที่คนอ่านมากที่สุดและทำรายได้สูงสุดในยุคนั้นด็ตอร์แฟรงก์กันซอรัสนักอุดมการณ์แห่งชิคาโกทำให้ฟิลิปดีอาร์มอร์ให้เงินทุนแก่เขาหนึ่งล้านดอลลาร์ เพื่อสร้างสถาบันเทคโนโลยีอาร์มอร์และให้กันซารัสเป็นอธิการบดีเดเนียลวิลลาดประธานกรรมการบริษัททางรถไฟ B&O กว่า30ปีเขาได้รับเกียรติให้ใช้ชื่อของเขาเป็นชื่อเมืองในโอไฮโอคิงยินเลดเซลแมนผู้มีที่มาจากช่างเชื่อมโลหะเขาพยายามจะกลโนดตัวเองที่ขณะนั่งอยู่บนรถไฟที่กำลังวิ่ง เลยเป็นที่มาของการคิดค้นมีดโกนหนวดที่ให้ความปลอดภัยซึ่งต่อมาเขาก็ได้กลายเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทยักษ์ใหญ่ลาฟเอวิรประธานกรรมการอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ริสปอนเดนสกูลเขาได้ให้ความช่วยเหลือมูลนิธิของนโปเลียนฮิลในการให้การศึกษาและฟื้นฟูสภาพนักโทษที่ถูกจำคุกจูดแดนิเอลทีไรต์อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยกฎหมายจอร์ดทาวที่ซึ่งนโปเลียนฮิลเคยศึกษาอยู่ ตอนที่นิตยสารบอบเทลเลอร์สมอบหมายให้เขาเขียนเรื่องราวของแอนดูคาร์นกีจอร์ดีร็อกกี้เฟลเลอร์ด้วยเงินเก็บ 1,000 ดอลลาร์รวมกับเงินที่ขอยืมมาอีก 1,000 ดอลลาร์เขาเริ่มต้นด้วยบริษัทน้ำมันก๊าซเล็กๆซึ่งขยายกิจการไปเป็นบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ระดับโลกโทมัสเอเอดิสันนักประดิษฐ์และเจ้าของกิจการผู้คิดค้นหลอดไฟกล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายภาพยนต์และเป็นเจ้าของสิทธิบัตรมากกว่า 1,000 รายการแฟรงก์เอเวนเดลิฟจากเด็กยากจนสู่นักสื่อสารมวลชนนักปฏิรูปสังคมเศรษฐีและประธานกรรมการของธนาคารเนชชเนลสิตี้ซึ่งปัจจุบันคือธนาคารซิตี้แบงค์และเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเอฟดับเบิลยูวูเวิร์สมียนร้านค้า ผู้บุกเบิกแนวคิดสินค้าที่มีราคาคงที่และการบริการตนเองไปสู่เครือข่ายร้านค้าปลีกราคาถูกวูเวิร์ทุกอย่าง5เซนทุกอย่าง10เซนทันเอเอกโรเบิร์ตเอดอร์ลผู้ซึ่งเริ่มต้นจากการสร้างเรือใบาจากเศษไม้เก่าๆต่อมาเขาได้สร้างบริษัทดอลลาร์สตีมชิฟเจ้าของเส้นทางเดินเรือที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาเอ็ดเวิร์ดเอฟิลีนผู้ก่อตั้งบอสตันเบสโต เขาคิดค้นวิธีการกระจายสินค้าการขายสินค้าและมีชื่อเสียงในฐานะผู้ริเริ่มแนวคิดสินค้าราคาถูกบา g ์เกนเบ m e n t c o n เซปต์เอ็ดวินซีบานเขาคือหุ้นส่วนเพียงคนเดียวในชีวิตของโทมัสเอดิสันเขานำเครื่องพิมพ์ดีดซึ่งเอดิสันทำไม่สำเร็จมาปรับปรุงเป็นเอดิโฟนแล้วขายมันจนกลายเป็นอุปกรณ์สาคัญในสานักงานและนั่นทาให้เขาได้กลายเป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่ง อา t h เ r อร์เนสเจ้าของโรงงานสิ่งทอในซินซินนาติผู้ซึ่งใช้ธุรกิจที่ใกล้ล้มละลายของเขาเป็นหนูทดลองเคล็ดลับของคานิกีก้จนประสบความสำเร็จซึ่งต่อมาหนังสือพิมพ์ได้สร้างชื่อเสียงให้เขาด้วยการขนานนามว่าโกลเด้นรู n เนสตคาร์เรนดาโลมีชื่อเสียงในฐานะนักกฎหมายนักพูดนักต่อสู้เพื่อคนด้โอกาสคนรู้จักกันดีจากการเป็นนักกฎหมายคดี s c o p ีส์มังกี้ทริอและเป็นผู้ปกป้องการสอนทฤษฎีวิวัฒนาการข้อมูลจากผู้เรียบเรียง s โ o p ี e ์มังกี้ทริอเป็นเหตุการณ์ในปีคิตศ1925เมื่อครูโรงเรียนมัธยมชื่อ John s c o p ปีถูกฟ้องร้องและดำเนินคดีตามกฎหมายเนื่องจากเขาไดสอนนักเรียนเรื่องทฤษฎีวิวัฒนาการของมนุษย์ตามหนังสือของชาวดาวิน ที่ว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิงซึ่งขัดกับความเชื่อทางคริสตศาสนาในพระคัมภีร์ไบเบิลเรื่องพระเจ้าและการสร้างโลกคลา r e เรนส์ดาโลได้เป็นทนายให้สโคพีสและช่วยปกป้องการสอนทฤษฎีวิวัฒนาการของมนุษย์ตามหลักเหตุและผลจบข้อมูลของผู้เรียบเรียง o ู r โรวิลสันประธานาธิบดีคนที่28ของสหรัฐอเมริกา ปีคิตศกฤต 1913-1921 วิลเลียมโฮวต์ทัร์ฟประธานาธิบดีคนที่27ของสหรัฐอเมริกาปีคิตศกฤต 1909-1913 ลูเทอร์เบอร์แบงค์นักพฤกษศาสตร์ผู้คิดค้นพันพืชใหม่ๆถึง800ชนิดโดยความภาคเพียรพยายามของเขาทำให้สามารถพัฒนาพันพืชและช่วยเพิ่มทัญญาหารให้แก่โลกของเรา e d w a เ d W. b o ดเได้ เ, เรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนเพียง6ปีเมื่ออายุ20ปีเขาได้เป็นบรรณาธิการ Ladies Home Journal ซึ่งเขาได้ช่วยสร้างมันให้เป็นนิตยสารขายดีระดับโลก f r a n k A. m อ n s นเซอดีตพนักงานรับส่งโทรเลขออกจากงานมาเริ่มทำนิตยสาร a ั g o กซีและสร้างความมั่งคั่งแห่งอาณาจักรหนังสือพิมพ์ซึ่งรวมไปถึงวอชิงตันไทมส์และนิวยอร์กเ r รูโ อ l b e r t S. Gary กประธานของ U.S. Steel ขณะนั้นเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาเป็นผู้นำในการวางรากฐานโครงการแรกๆเช่น g ก r y Works Steel Plant และ City of g a r กในอินเดียนาดรอเล็กซานเดอร์เกรแฮเบเรารู้จักกันดีในฐานะนักประดิษฐ์ผู้คิดค้นโทรศัพท์นอกจากนี้เขายังปรับปรุงเครื่องบันทึกเสียงสร้างความก้าวหน้าให้กับอากาศยานและการบินและเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง National Geographic Society j o จอห์นเอสแพทเตรสันประธานของ National Class ต e g i s t สเ NCR เป็นที่รู้จักในเรื่องการออกแบบโฆษณาและเป็นอัจฉริยะในการจูงใจด้านการขายส่งผลให้ NCR เป็นผู้นำในด้านนี้จูเลียสโลเซนว l ลเจ้าของโรงงานเล็กๆผู้มองเห็นการไกลในการสั่งซื้อทางไพรสน์นีเขาได้ซื้อหุ้น 25% เปอร์เซน์ของเซีย โรบักแอลและร่วมกับลิชาร์เซียสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับธุรกิจอเมริกันจวอตออสตินเวียวิศวกรโครงสร้างที่หิวพบที่แหล่งน้ำมันในเท็กซัสผู้ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเคล็ดลับของคานกี้และได้เข้าเรียนกฎหมายเมื่ออายุกว่า40ปีภายหลังได้มีส่วนร่วมในการตีพิมพ์นิตยสารของนโปเลียนฮิวด้วยดอร์แฟลน์เคลนนักจิตวิทยานักเขียนบทความ ผู้แต่งหนังสือปกินนกะเรื่องต่างๆเช่น The Prince of Liberty, p r a g m e n t i s m The Duty of the Rich และ How to Keep Fans. J.G. c h a p l i n อธิการบดีของมหาวิทยาลัยลาซานในขณะที่นโปเลียนฮิลรับงานโฆษณาให้มหาวิทยาลัยและเป็นที่ซึ่งฮิวเริ่มตระหนักว่าตนเองมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเจนนิงเรนดอลฟ ผู้บริหารสายการบินสมาชิกสภาคองเกรสวุทฒิสมาชิกจากเวสต์เวอร์จิเนียเขาเป็นผู้ซึ่งนิยมชมชอบในตัวนโบเลียนฮิวเป็นอย่างมากและเป็นผู้กระตุ้นให้ฮิวเข้ารับตําแหน่งที่ปรึกษาของประธานาธิบดีแฟรงคลินเดอรลันโรูสเวลล์รายชื่อบุคคลเหล่านี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของคนอเมริกันที่มีชื่อเสียงซึ่งประสบความสําเร็จและร่ํารวยมันช่วยพิสูจน์ว่าผู้ใดก็ตาม ที่เข้าใจและนำเคล็ดลับของคานิี้ไปใช้ย่อมจะพบกับความสำเร็จในชีวิตบทวิจารณ์ดังที่นโปเลียนฮิวได้กล่าวไว้ว่ารายนามบุคคลที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเป็นเพียงส่วนน้อยของมหาเศรษฐีกว่าห้าร้อยคนและผู้คนที่ประสบความสำเร็จในด้านอื่นซึ่งฮิวได้ไปสัมภาษณ์มาก่อนที่จะเริ่มเขียนหนังสือคิดแล้วรวยรายชื่อเหล่านี้ อย่างไม่ได้รวมบุคคลซึ่งได้พบกับฮิวหลังจากเขาได้ตีพิมพ์หนังสือไปแล้วและอย่างไม่ได้รวมบุคคลที่ไม่มีโอกาสได้พบกับเขาแต่ก็ประสบความสำเร็จจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าทั้งนโปเลียนฮิลและหนังสือคิดแล้วรวยได้รวมกันสร้างเศรษฐีใหม่ขึ้นมามากมายกว่าครั้งใดในประวัติศาสตร์หรือกล่าวอีกในหนึ่งว่า นโปเ e ียนฮิ l สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้มากกว่าผู้ใดในประวัติศาสตร์นักพูดสร้างแรงบันดาลใจแทบทุกคนจะต้องพูดถึงผลงานของนโปเ e ียนฮิ l เรายัางพบเห็นอิทธิพลของฮิวในงานเขียนของเพื่อนร่วมสมัยของเขาเช่นเดล Carnegie และนอร์แมนวิ c e ซนต์พิต่อเนื่องไปถึงนักเขียนนักพูดชื่อดังเช่น W. เ e รมั t สโตนอ็อกแมนด ino และเอนติเกล ซึ่งได้ทำงานให้กับนโปเลียนฮิลและมูลนิธินโปเลียนฮิลเสียงสะท้อนแห่งหลักการของฮิลยังพบได้ในหนังสือของเวลลี่เฟรมัสเอโมสมารีเคเอสเคนเบนชาร์ตอดิเล b ไบรหนังสือ Chicken Soup for the Soul ผู้แต่งคือแจ็คแคนฟิลและมาร์กวิคเตอร์เฮนเซนเดบ f i ฟิลชักติกาเวนจอห์นเกรย์สุสานเจฟเฟอร์บูสต์เจนเนอร์ ชาร์ลีทรามนดัสจนทอมมีลาสซาดาอาร์ตลิงเลสเตอร์จนลุนเดนดรแม็กซเวล์มอลเจมเรดฟิลด์ดรเบอร์นีซีเกลโจเซซิวาบรอันเทรซีลิลเลียนเวอรนอนและเดนนิสเวสเล่สตีเวนโควีผู้เขียนหนังสือ The s e v n Habits of Highly Effective People มักจะกล่าวถึงอิทธิพลของนโปเลียนฮที่มีต่อเขา a อ t h o n y r รบินส s bins, นักเขียนและนักพูดสร้างแรงบันดาลใจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของต้นตศตวรรษที่21ก็ได้ประกาศว่า n น p โปล o ียนฮิส์เป็นวีรบุรุษของเขาจบบทวิจารณ์ผมพบว่าผู้ใดก็ตามที่ได้รับแรงบันดาลใจและนําเคล็ดลับของคเนกี้ไปใช้ย่อมประสบความสำเร็จและในทางตรงกันข้ามผมไม่เคยเห็นใครที่ร่ารวยขึ้นมาได้ โดยไม่ใช้เคล็ดลับเหล่านี้เลยจากข้อเท็จจริงสองประการนี้ทำให้ผมสรุปได้ว่าเคล็ดลับของศักยภาพในการนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จนั้นสำคัญมากกว่าสิ่งซึ่งเราได้รับจากสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาเวลาที่คุณอ่านหนังสือเล่มนี้เคล็ดลับอาจโดดเด่นขึ้นมาจากหน้าหนังสือแล้วทำให้คุณเกิดความกระจ่างขอเพียงคุณเตรียมตัวให้พร้อมคุณก็จะได้ค้นพบมัน ไม่ว่าคุณจะได้ค้นพบที่ส่วนใดของหน้าแรกไปจนถึงหน้าสุดท้ายเมื่อเคล็ดลับต่างๆได้แสดงตัวของมันเองออกมาจงหยุดตัวเองชั่วขณะแล้วจดบันทึกเวลาและสถานที่ที่ได้พบมันไว้บางทีคุณอาจอยากจะรำลึกถึงภายหลังและมันอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของคุณเลยก็เป็นได้โปรดจาไว้ได้วยว่าเมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มนี้จบลงจงนามันไปสู่โลกแห่งความเป็นจริง ไม่ใช่ในความเพอ้อฝันหรือนิยายเป้าหมายของเคล็ดลับคือนำข้อเท็จจริงแห่งจักรวาลที่มีอยู่แล้วไปปฏิบัติด้วยตัวคุณเองถ้าคุณพร้อมแล้วคุณอาจเรียนรู้ต่อได้เองว่าจะทำอะไรและอย่างไรในตอนเริ่มต้นคุณอาจจะต้องกระตุ้นตนเองบ้างถ้าจำเป็นคำแนะนำสุดท้ายสำหรับการเตรียมตัวเพื่อให้คุณสามารถนำเคล็ดลับของคานกีไปใช้ก็คือทั้งความสำเร็จ และความร่ารวยนั้นล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดทั้งสิ้นถ้าคุณเตรียมตัวพร้อมสำหรับเคล็ดลับสู่ความสำเร็จคุณจะได้เพียงแค่ครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งนั้นจะมาสู่จิตใจของคุณเองเมื่อถึงเวลาบทวิจารณ์หนังสือคิดแล้วรวยแตกต่างจากบทความธุรกิจและหนังสือสร้างแรงบันดาลใจอื่นๆตรงที่เราไม่สามารถอ่านบทต่างๆกระโดดข้ามไปข้ามมา เพื่อเอาแนวคิดตรงนี้ไปแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องนั้นได้แต่ฮิลเขียนหนังสือเล่มนี้โดยมีการเชื่อมโยงเรื่องต่างๆให้สัมพันธ์กันเพื่อให้เราอ่านจากบทแรกไปจนจบบทสุดท้ายแนวคิดที่อยู่ในบทหนึ่งอาจไปปรากฏในบทต่อๆไปจึงมีความจำเป็นที่ผู้อ่านจะต้องเข้าใจความหมายและเนื้อหาที่สำคัญของแต่ละบทมาก่อนแต่ละบทถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้อ่านจาเป็นต้องอ่านทุกตัวอักษร พิจารณาทุกไอเดียทำความเข้าใจทุกแนวคิดและซึมซับมันเข้าไปหนังสือคิดแล้วรวยจึงถูกเรียกว่าเป็นปรัชญาแห่งความสำเร็จเล่มแรกปรัชญานี้นอกจากจะเก็บรวบรวมสูตรลับในการแก้ปัญหาทางธุรกิจแล้วยังเป็นหลักการสำคัญที่จะช่วยชี้นำความคิดและการกระทำของเราช่วยสร้างเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมและสร้างคุณค่าในตัวเราเองอีกด้วย หนังสือเล่มนี้จึงไม่เพียงแต่เปลี่ยนแนวคิดของคุณเท่านั้นยังเปลี่ยนวิธีคิดของคุณอีกด้วยในการเตรียมหนังสือฉบับปรับปรุงใหม่นี้ได้มีการวิเคราะห์ทุกแง่ทุกมุมของคิดแล้วรวยและมีการปรับปรุงเนื้อหาดั้งเดิมให้ทันกับยุคสมัยเพื่อให้มั่นใจในการที่จะนาไปใช้ในโลกแห่งธุรกิจของทุกวันนี้หลักประกันในคุณภาพของหนังสือคิดแล้วรวยฉบับเดิมก็คือทุกๆบท ล้วนมาจากการที่นโปเลียนฮิลได้นำเสนอตัวอย่างจากชีวิตจริงของเศรษฐีอเมริกันที่ประสบความสำเร็จสูงสุดด้วยตัวเองในฉบับปรับปรุงใหม่นี้ยังคงไว้ซึ่งสิ่งที่ฮิลเขียนไว้อย่างครบถ้วนและทางผู้เขียนได้เพิ่มเติมกรณีศึกษาร่วมสมัยควบคู่ไปกับหลักการของฮิลเพื่อให้ทันต่อยุคสมัยด้วยในการเพิ่มเติมกรณีศึกษาร่วมสมัยนั้น ส่วนไหนที่ผู้เขียนรู้สึกว่าน่าสนใจสำหรับผู้อา่านเราก็จะแทรกบทวิจารณ์ไว้เพื่อเสริมข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบันส่วนไหนที่ควรหาความรู้เพิ่มเติมเราก็ได้แนะนาหนังสือและสื่อสาระอื่นๆเพื่อเสริมแง่มุมต่างๆแห่งปรัชญาของนโปเลียนฮิลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นผู้เขียนได้ติดต่อกับนักเขียนที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อความถูกต้องของข้อความในบทวิจารณ์ นอกจากนี้เรายัางได้ให้ความสำคัญกับไวยากรณ์อักขระและรูปประโยคเพื่อประโยชน์ในการอ่านอีกด้วยท่านผู้อ่านซึ่งคุ้นเคยกับฉบับที่ตีพิมพ์ก่อนหน้านี้จะสังเกตเห็นว่าหมายเลขของบทมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างต้นฉบับเดิมของคิดแล้วรวยนั้นเริ่มต้นด้วยบทที่ไม่มีหมายเลขแต่เป็นคำนำจากผู้เขียนส่วนในฉบับปรับปรุงใหม่นี้ได้จัดมันไว้เป็นบทที่หนึ่ง และตั้งชื่อบทเป็นเคล็ดลับแห่งความสำเร็จบทถัดไปจึงได้เรียงหมายเลขของบทใหม่ตามลำดับของบทในเล่มดั้งเดิมบทเดิมที่มีชื่อว่ากามรมได้ถูกเปลี่ยนเป็นสัมพันธภาพทางเพศสเสน่ดึงดูดและสร้างสรรค์เนื้อหาในบทนี้ได้ถูกปรับปรุงและอธิบายเพิ่มเติมเพื่อสะท้อนบทบาทของผู้หญิงในสังคมยุคปัจจุบันในส่วนของบทวิจารณ์ทั้งหมดนั้น จะใช้รูปแบบตัวอักษรที่แตกต่างจากเนื้อหาเดิมจบบทวิจารณ์ทั้งความยากไร้และร่ำรวยล้วนเป็นผลผลิตจากความคิด